ซาทุ่ยชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบ ก, กับเรื่องส่วนที่สามสำหรับวันนี้เนี่ต้องจบกันสักทีเพราะเรื่องส่วนส า, ามนี้พูดกันมาหลายวาระแล้วและเรื่องก็ไม่ยาวนักก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปก็จงอย่าลืม ว่าเรื่องส่วนทสามเนี่ยมีความสำคัญในจุดหนึ่งหนึ่งความกตัญญูรู้คุณบิดามันดาสองใช้วาจาเป็นที่รักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยะวาจาคือวาจาเป็นที่รักสองประการนี้มีสนเสน่ห์แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการกตัญญูรู้คุณ ก็จงอย่ารู้คุณแต่เฉพาะบิดามารดาท่านผู้ใดก็ดีถ้าเป็นผู้มีคณกับเราให้ข้าวแม้แต่ก้อนเดียวให้น้ำแม้แต่นึ่มอึบอึกเดียวก็จงคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนเราสแสดงความรักตอบสแสดงความปรารถนาดีตอบ ว่าดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอย่างพระราชานีหากว่าท่านถือว่าท่านเป็นพระราชาเมื่อท่านยิงสวนณสามลงไปแล้วถ้าเป็นคนใจเลวเขาแยกปล่อยทิ้งให้ตายไม่สนใจกับพงก่ทั้งสองก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิด คนที่จะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่จับได้เท่านั้นถ้นาเจ้านที่ยังจับไม่ได้ไม่ก็ไม่สามารถจะลงโทษได้เขาถือว่าไม่ผิดนี่ลักษณะของคนเลวแต่ว่าลักษณะของคนดีของพระราชาก็เป็นที่ประทับใจฉะนั้นขอท่านทงหลายจงเอาเนะเอาพยายาม เอาข้อวัดปฏิบัติคือความดีเขานั่งสามฝ่ายคือของพระราชาของสวรรค์สามและของบิดามารดาอย่างท่านบินดามารดาของสวรรค์สามก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบข่าวว่าพระราชาฆ่าลูกชายของตัวตายถ้าจะโกรธจะเกลียดจะด่าจะว่าพระราชาก็ไม่ได้เคยมีประโยชน์ นีไม่นีพระราชาเขาถือว่าเป็นพระราชาอยค่ฆ่าตายซะในป่าก็หมดเรื่องแต่ว่าท่านดังสองก็ระงับอารมณ์ทั้งๆ ท, ท, ที่มีความรักท่านไี่มีความเสียใจกลับเช้าเชื่อเชิญพระราชาให้ประทับเมื่อพระราชาคิดว่าบอกว่าจะขอปฏิบัติท่านก็ยังพูดโดยมัญญาต ในฐานะที่ตนเป็นคนธรรมดาถึงเป็นรัศดรเต็มขัน้นกอขอพระราชากุณาเพียงนำไปหาโลกตอนนั้นการที่รับการปฏิบัติไม่เป็นการสมคลนี่อัปบบจายน ก, กรรมกรรมคือทำ เ, เครื่องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นของดี อาการอย่างนี้เขาเรียกกัว่าลทัทธิสวรรค์ลทัทธิสวรรค์นะั้นมันหมายความมันต้องไปอยู่บนสวรรค์เป็นมนุษย์นี่แหละไอ้สวรรค์นี่แปลวความสุขใจทําให้ใจเป็นสุขทําให้กายเป็นสุขสวรรค์ชาติหน้าไม่ต้องไปพูดกันที่วันนี้มาพูดถึงลทัทธิสวรรค์ก็เพราะว่าได้รับห น, นังสือฉบับหนึ่ง เขาบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าของลัทธิสวรรค์เพราะ น, นักเสื้อเชบับบัด้เข้ามาแล้วก็ดีใจว่าไม่คิดเลยว่าในชาตินี้จะมีความสามารถสร้างลัทธิสวรรค์ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วถ้าคนอื่นอ่านแล้วก็าอาจจะโมโหคนที่เขียน ต่ความจริงอาตมาดีใจมากที่ท่านพุนัานุสาว ย, ยกย่องสรรเสริญว่าคนธรรมดาธรรมดาที่มีความดีไม่มีหรืมีไม่มากสามารถสร้างลัทธิสวรรค์คือความสมบายใจให้เกิดกับคนได้ต่ความจริงความสมบายใจที่สร้างเวลานี้ก็หนึ่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประการที่สองหาทางบอกกรบบรมันดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันหาเสื้อหาผ้าหาข้าสารหายารักษาโรคหาการแนะนำไปให้ให้ความสุขกับคลทั้งหลายเขาจะอยู่แดงไกลแสงไกลไปการใดก็ตามทีอยู่ในปาานา่เาเขาลำนาไพลเราก็ไปถึงกัน อย่างนี้ตะมากคืออยากจะเรียกว่ารัติสวรรค์ไม่กันเพราะท่านผู้นั้นมีความทุกข์พวกเราสร้างให้ท่านมีความสุขท่านที่เขียนบอกว่าตะมาใช้รัติสวรรค์นนะขอขอบคุณแต่ความจริงไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่คิดไปแต่เพียงว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ท่านจะเป็นไทยหรือท่านจะเป็นเทศไมันด้มีความสำคัญคิดไว้อย่างเดียวว่าเรารักกันน่ะมันมีความสุขท่านมีความทุกข์เราช่วยให้ท่านมีความสุขถ้าว่าเรามีความทุกข์มั่งบางทีความดีอันนี้จะตอบสนองเราบ้างด้วยการเมตตาปราณีจากท่าน มีความจริงที่ทำไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่อย่างเดียวขอให้ทุกคนมีความสุขนญยาตโยมพุทธบริษัทก็ดีแสนดีช่วยทั้งแรงกายแรงทรัพย์แรงปรัญญาและแรงพาหนะที่ก็บอกว่าแต่มามีรถยนต์ใหญ่ๆไปสอนคนที่ไหนในความจริงไม่ใช่ส่วนตัว เป็นรถยนต์ที่ท่านนันหลายมีความเมตตาปราณีให้ยืมใช้เท่านั้นสมบัติส่วนตัวไม่มีไม่ได้ผ้านุ่งผ้าหม่มยังต้องอาศัยญาติยโยมพุทธบริษัทสงเคราะห์ท่านนันหลายแล้วนั้นเห็นว่าเช่ารถไปบรรทุกของไปแจกรถเล็กๆติดตามสามสี่คันไม่คิดคิดแต่เพียงรถเช่าใหญ่ๆวันละเจ็ดพันบาทมันไม่ไหว ยิงพากันสละทรัพย์สินของท่านนำรถมาให้ใช้นะไม่ใช่ให้เลย <c oughs> เอามาให้ใช้โดยไม่คิดค่ า, ชาเช่าขาออนอะไรทั้งหมดดีไม่ดียังกองบัญชาการาหารสูงสุดให้ทั้งรถใช้ให้ท่าน้ำมันให้คุณงานเสร็จยิ่งกรรไกรกลางนี่ขอรถกี่คันก็ให้มาทันที นี่จัดว่าเป็นความดีร่วมกันทั้งบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านและทางรัฐบาลทั้งพระบาทสมเด็จเจหัวหน่อยราชการทหารตำรวจร่วมมือกันอย่างดีอย่างนี้จะเรียกว่ารัฐิสวรรค์ได้หรือย่างขอขอบคุณท่านทีน่รุรนาเขียนประกาศธรรมัญชาชาติทราบว่าอาตมาสร้างรัฐิสวรรค์ขอขอบคุณแต่ความจริงไม่ได้เคยคิด ว่าลัทธินี้จะเป็นลัทธิสวรรค์แต่ท่านให้สัญญาอย่างนี้ก็ต้องขอตามใจท่านเพราะท่านมีความหวังดีตอนนี้ไปเรื่องสุวรรณสามเรือนน้อยขอเล่ากันต่อไปเป็นอันว่าพระราชาทรงแสดงความไม่ตาความนอบน้อมและความเคารพรับที่จะฟังธรรมจัญยาที่สุวรรณสามแนะนำ มาเริ่มธรรมจัญญาเมื่อสมัยเด็กๆเวลาเรียนชั้นประถมก็ ม, มีธรรมจัญญาให้แล้วก็มีพลเมืองดีให้สมัยนั้นเด็กๆมีความประพฤติปฏิบัติ ด, ดีกันมากแต่เวลานี้รู้สึกว่าความเจริญมันมากเกินไปธรรมจัญญาและพลเมืองดีก็หายไปจึงเลื่นเหลือได้เพียงว่าธรรมบรัลัย และพลเมืองร้ายมากขึ้นความอากตัญญูไม่รู้คุณมีมากขึ้นความทําลายการอาการทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทําลายความสามัคคีมีมากขึ้นหน้าสิ่นได้หนังสือสองเล่มคือธรรมจัญญาและพลเมืองดีถ้าหากว่ามีหนังสือพลเมืองดี อย่างเดียก่อนพลเมืองร้ายก็มีน้อยถ้ามีธรรมจัญญาจัญญาแปลความประพฤติคือประพฤติในความดีเนี่ยเมื่อทุกคนศึกษาความประพฤติในด้านความดีมากความประพฤติชั่วมันก็น้อยลงไปข่มด่าลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาท่านผู้รับฟังคิดว่าธรรมจัญญาคือความประพฤติดีแนวทางปฏิบัติในด้านความดี อาจารย์ื้อพลเมืองดีทั้งสอนระการนี้ควรจะมีต่อไปหรือไม่แนวซื้อพลเมืองดีมีมากอ่านกันตั้งแต่เด็กมันซึมเข้าในใจพลเมืองร้ายก็มีน้อยธรรมจัญญาศึกษามาตั้งแต่เด็กซึมเข้าไปในใจความประพฤติชั่วก็มีน้อย สมัยนั้นเดอนจำหานักโทษได้ยากเวลานี้เดินจำสร้างมากเท่าไรก็ไม่พอกับคนที่ต้องติดคุกทิ่ตารางเมื่อคุยกันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าว่าบุคคลที่ทำลายไม่ดีว่าคนคนทำลายหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ดีคือท่านเป็นอะไรมีเป็นดอกเป็นตอกอก็เลยทไม่ทราบละ เพราะท่านมีความรู้มากท่านยังเห็นว่าของที่มันจะมีความสุขเป็นของไม่ดีเผาไฟทิ้งสมหมดจึงปรากฏว่าชาติเรามีแต่ความเราร้อนมันเป็นการถึงเวลาทุสมัยเวลนอนุว่าสุวรรณสามันดิตจึงถวายโอกาส จึงจะไหวโอวัตคือธรรมจริยากับพรราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติดีประพฤติชอบในพระชนกและช น, นีในพ่อกับแม่นบันดามิตรสหายทั้งหลายอำมายข้าราชจบริพารทั้งหลายไร่พนทั้ง ห, งหลายนบันดาชาวบ้านทั้งหมด ชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทสมณพราหมณ์และจงเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบกมรดานเนื้อนนกเถิดเมื่อพระองค์ประพฤติดีความประพฤติชอบดังนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงสนเสนด็จไปสู่สวรรค์คือมีความสุขใจ ทำไมความว่าถ้าหากว่าพระราชานะี่ยมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่คนที่มีความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นคนไม่อดตายเมื่อเขาทราบว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อกับแม่แล้วไปไหนก็มีแต่คนรักใครเขาจะส่งข้อนูเคราะห์เขาก็เต็มใจคิดว่าเขาคนดีไม่รู้เราดี เขาคิดว่าแต่เขาส่งข้อนุเคราะห์ในเราเราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณไม่กตัญญูคนพูดสง่งข้อนะครับจะมีความสุขใจเพาะว่าเตมใจให้ตรงกันข้ามกับคนจังไรไม่รู้คุณของชาติาศาสนาพระมหากรสตวิดามารดาและเพื่อนที่รักคนแบบเพืนี้ไปที่ไหนใครเขากเปลียดสําหรัแบมิตร เพื่อนเสหายมั่งกันมิตรถ้าเราซื่อสัตย์ต่อเขาเขาก็ซื่อตรงต่อเราเอาหมายคือคนที่รักทำงานเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเราโกงเขาก็โกงเราซื่อเขาก็ซื่อในฐานะที่เรามีอํานาจไร้ผลก็ไม่กันถ้าเรามีความเมตตาปราณีกับเขาเราเป็นคนมีระเบียบเขาก็ต้องเป็นคนมีระเบียบเป็นคนดี ชาวบ้านชาวเมืองชาวนิคมก็เช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์ทั้งหลายแต่หากว่าเรามีเมตตาในเธอเธอก็รักเราดูสุนัขเป็นต้นต่อไปโซนัสสามกล่าว 39, ต่อไปว่าข้าแต่พระราชาข้าแต่มหาราชเจ้าพระอินทร์และทวันดาพรมได้สวยที่ประสมบัติในโลกก็เพราะมีความประพฤติดีประพฤติชอบนี่แหละ ขอพระองค์งทรงประพฤติธรรมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี้ขอรัดเวลาหน่อยเดียวเมื่อสุวรรณสามกราบทูลตุนสารมณีกราบทูลแสดงรมถวายพระราชาจบแล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นไปจึงทรงให้พระราชาสมาทานเบญจศีลเบญจศีลก็คือให้ทรงศีลห้าให้อยู่ในศีลห้า ราชา ส, สัมาทานเบญญาสินแล้วทรงไหว้พระสวนสามขอเข้ามาโทษที่ได้ทำให้เดือดร้อนตั้งแต่หลังแล้วก็เสด็จกลับเมืองพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลกิจมีการให้ทานเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลครองราชสมบัติโดยชอบธรรม ทั้งนี้เป็นปัจจัยให้เหมืองพาราณสีเต็มไปด้วยความสุขคนทุกคนไม่มีความทุกข์เพราะพระราชาเป็นพระราชาผู้ทรงผู้ทรงธรรมมีความรักในบรรดาประชาชนเมตตาปราณีสงข้อนุเคราะห์ใครทุกข์ถึงไหนไปถึงนั่น ตั้งใจไปชั่วทุกนันไปไปทั่วทุกหัวทุงแห่งเพื่อปรารถนาให้จะให้บรรดาประชาชนนั้นไหลมีความสุขความทุกข์ความเหนื่อยยากของพระองค์พระองค์ไม่ได้สง่งคิดฉะนั้นเมืองนี้จึงกลายเป็นเมืองที่มีเด็่ความสุขไม่มีไม่มีอา ม, มิตรคือไม่มีศัตรูทุกคนอยู่กันในความสบาย ฝ่ายโซนสามันดิตมาเลี้ยงดูบิดามันดาแล้วก็ันเป็นฌานสมาบัติสำเร็จแล้วเมื่อสิน้นชีพตัไสก็ไปเกิดจนเป็นพรหมอยู่ที่พรห ม, มโลกสำหรับบิดามันดาก็ปรเกดเป็นพรหมเหมือนกันพระเจริญฌานสมาบัติสำหรับเรื่องนี้เก็บมาจากโซนสามฌานดกคติที่ได้ ขรกก็ได้กันหนึ่งความเมตตาปราณีเละเมตตากรุณาต่อกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขสองความกระตันยูกตเวทีเพรู้คุณท่านท่านทำแล้วตอบสนองคุณท่านสามความเื่อสัตว์สความรักระหว่างบิดามารดากระบุตรสำหรับเรื่องนี้วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเหล่านี้ขอรวบรวม ชุมนุมชาโดกสักหน่อ ย, นยน ห, หนึ่งพร่อาหารสีบมาได้ให้พระองค์สมเด็จวาอจอมไตรบรมรสาสนามาตัดเรื่องนี้จบก็ทรงแสดงอริยสัจเมื่อแสดงอริยสัจจบปรากฏว่าบรรดาพระและบรรดาประชาชนหลายที่นั่งฟังต่างบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโซดาขึ้นไปเป็นมาก มาจบแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าจึงได้ไปชมชานดกว่าพระเจ้ากัะปิระยักษ์ในเวลานั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอานนท์สําหรับนางเทพธิรดาที่วัดสมเทรีชาตินี้มาเกิดเป็นพระโอโบนวรรณาเทรีสําหรับพระอินท์ในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระอนุรุษ สำหรับบิดาในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระมหารกคศ ส, สำหรับมารดาในสมัยนั้นมาเกิดเป็นนางพัติกาบริลานีสำหรับสุวรรณสามในสมัยนั้นมาเกิดเป็นตถาคตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อาอราบันด า, าท่านพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักสำหรับเรื่องสุวนรณสามก็จบแล้วขอลาก่อน อขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจ่อมมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนและญาติโยมผู้พุทธบริษัททุกท่านสวัสดี